กระบวนธรรดับทุกข์หรือปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระก็ขอวงจรสั้นในทางปฏิบัติบางครั้งพระพุทธเจ้าทรงแสดงกระบวนธรรมตามสภาพความเป็นไปในชีวิตประจำวันชนิดที่จะมองเห็นและเข้าใจกันได้ง่ายๆในกรณีเช่นนี้กระบวนธารฝ่ายก่อเกิดทุกข์ หรือปฏิจจสมุปบาทสมุทธยาวาระจะเริ่มต้นที่การรับรู้ทางอาญตนะทั้งหกแล้วแล่นต่อไปทางข้างปลายตลอดสายจนถึงชรามรณะโศกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตและช่วงต้นของกระบวนธรรมตั้งแต่อวิชชาเป็นต้นมาไว้ในฐานให้เข้าใจว่ามีแฝงอยู่ด้วยพร้อมในตัวส่วนกระบวนธรรมฝ่ายดับทุกหรือปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระ ก็จะตั้งต้นที่ดับตัญหาเป็นต้นไปคือตั้งต้นหลังจากรับรู้และเกิดเวทนาแล้วไม่ย้อนไปพูดถึงการดับอวิชชาเป็นต้นในช่วงแรกเลยดังจะเห็นได้จากบาลีที่ยกมาเป็นตัวอย่างดังนี้แสดงสมุททยวาระก่อนแห่งหนึ่งคือในมหาตัญหาสังคยาสูตรมัชฌิมานิกายมูลปัญ น, นาตตรัสถึงเหตุแห่งการเกิดในคันแล้วตรัสต่อว่า ภิกษุทั้งหลายเด็กนั้นเติบโตขึ้นอินทรีย์แก่กล้าเอิบอิมพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้าให้เขาปนเพลเดยรูปเสียงกลิ่นรสโภภพธพภะที่น่าปรารตนาน่าใคร่น่าพอใจที่มีลักษณะน่ารักเย้าวยวนชวนกำนัดชวนรักใคร่เด็กนั้นเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูรู้กลิ่นด้วยจมูก เล็มรสด้วยลิ้นถูกต้องโพธพภะด้วยกายรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วย่อมติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธพภะในธรรมารมณ์ที่มีลักษณะน่ารักย่อมขัดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธพภะในธรรมารมณ์ที่มีลักษณะไม่น่ารักเด็กนั้นอยู่โดยปราศจากสติกำกับตัว มีจิตด้อยจิตใจไม่เจริญเติบโตไม่รู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตตคือภาวะเป็นอิสระปลอดพ้นของจิตใจไม่รู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งปัญญาวิมุตตคือภาวะเป็นอิสระปลอดพ้นด้วยปัญญาอันเป็นที่บาปอากุศลธรรมทั้งหลายดับไปไม่เหลือเด็กนั้นประกอบความยินดียินร้ายเอาไว้อย่างนี้ได้เสวยเวทนาอย่างได้อย่างหนึ่ง เป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามเขาย่อมตั้งหน้าเพลินพร่ำบน่นพร่ำชมสยบอยู่กับเวทนานั้นเมื่อเขาตั้งหน้าเพลินพร่ำบน่พำบนพร่ำชมสยบอยู่กับเวทนานั้นนันทิความติดใคร่เหืมใจย่อมเกิดขึ้นนันทิในเวทนานั้นก็คืออุปาทานเพราะอุปาทานของเขาเป็นปัจจัยก็มีพบเพราะพบเป็นปัจจัย ก็มีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโภมนัตอุปาญาตก็เกิดขึ้นพร้อมความอุทัยพร้อมแห่งกองทุกทั้งปวงนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อีกแห่งหนึ่งคือในทุกขกนิโรธสูตรสั่งยุตตนิกายนิธานวัต์ตรัสว่าพิสษุน์ทั้งหลายความอุทัยพร้อมแห่งทุกเป็นไฉนาอาศัยตาและรูป จึงเกิดจากกุปิญญาความประโบแห่งสิ่งทั้งสามนั้นเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีภิกษุทั้งหลายนี่แลคือความอุทัยพร้อมแห่งทุกทางด้านโสตะคานะชิวหากายะมะโนก็อย่างเดียวกันความในบาลีสองแห่งนี้จับเฉพาะองค์ธรรมหลักเขียนเป็นกระบวนธรรให้ดูง่าย ดังนี้หมายเหตุการุณนาดูแผนภูมิที่6กทสมประกอบด้วยแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้กระบวนําแบบแรกเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยนันทิจึงมีเพราะนันทิเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย พบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตจึงมีพร้อมซึ่งกระบวนการมนี้เท่ากับทุกกะสมุ ท, ทยัยกระบวนการมแบบที่สองเพราะสลาย ต, ะาตระนัเป็นปัจจัยพัรษะจึงมีเพราะพัรษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตันหาจึงมีซึ่งกระบวนธารมนี้ก็เท่ากับทุกขสมุ ท, ทยัยทั้งสองแบบนี้โดยหลักการหรือสาระสำคัญก็อย่างเดียวกันคือเริ่มที่การรับรู้ทางอาญตนะแต่แบบแรกแสดงกระบวนธารมต่อไปจนตลอดสายแบบที่สองแสดงถึงตันหาต่อจากนั้นคงเป็นอันให้รู้กันโดยไนยะแสดงนิโรธวาระต่อไปแห่งแรกว่า ต่อมาเด็กนั้นได้ออกบวดศึกษาปฏิบัติธรรมประกอบด้วยศีลอินเซียสังวรและเจริญฌานแล้วเธอเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูรู้กลิ่นด้วยจมูกลิมรสด้วยลิ้นถูกต้องโพธภพด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจแล้วไม่ติดพันในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโปธิภพในธรรมารมที่มีลักษณะน่ารัก ไม่ขัดเคืองในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธภิภะในธรรมรมที่มีลักษณะไม่น่ารักเธออยู่อย่างมีสติกำกับตัวมีจิตใจที่เจริญเติบใหญ่กว้างขวางไม่มีประมาณและร้ชาติตามเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติที่บาปอากุศลธรรมทั้งหลายดับไปไม่เหลือเธอผู้ละความยินดียินร้ายได้อย่างนี้แล้วได้เสวยเวทนาอย่างดอย่างหนึ่ง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 เพราะพบดับชาติก็ดับเพราะชาติดับชรามรณะโศกะปริเทวทุกโทมนันตุปาญาติก็ดับความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แห่งที่สองว่าภิกษุทั้งหลายความอัศดงแห่งทุกเป็นไฉไหนอาศัยตาและรูปจึงเกิดจากกุวิญ ญ, ญาณความประโบแห่งสิ่งทั้งสามนั้นเป็นพัทะ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 ภิกษุทั้งหลายนี่แหลคือความอัสดงแห่งทุกข์ทางด้านโสตะคานะชิวหากายะมโนก็อย่างเดียวกันบาลีทั้งสองแห่งนี้เขียนเป็นกระบวนธรรทำให้ดูง่ายได้ดังนี้หมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่6ทัสประกอบด้วยแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้กระบวนการทำแบบแรกเพราะสลายตณะเป็นปัจจัย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 ภพก็ดับเพราะภพดับชาติก็ดับเพราะชาติดับชารามรณะโศกปริเทวะทุกทมนัสอุปาญาติก็ดับซึ่งกระบวนธารนี้ก็เท่ากับทุกข์นิโรธตามที่เขียนแสดงนี้แบบแรกแสดงใหม่ตลอดสายให้ตรงข้ามกับฝ่ายสมุททยาวาะที่ได้แสดงไปแล้วส่วนแบบที่สองแสดงต่อจากฝ่ายสมุททยาวาะนั้นไปเลย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 ก็ไม่เกิดพึงสังเกตว่าคําว่านันทิในแบบที่หนึ่งพูดอย่างาคร่าวๆก็ตรงกับตันหาในแบบที่สองนั่นเองเป็นแต่ใช้ยักเยืงไปเล็กน้อยให้เหมาะกันกับข้อความแวดล้อมที่เป็นกรณีเฉพาะของแบบที่หนึ่งนั้นเท่านั้นข้อสังเกตสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อความในบาลีของแบบที่หนึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่าคําว่านันทิดับหมายความว่า นันทิไม่เกิดขึ้นหรือไม่มีนันทินั่นเองเมื่อนำความหมายนี้มาใช้แสดงการดับตัณหาในแบบที่สอง <c oughs> ก็จะได้สาระสำคัญว่า <c oughs> เมื่อรับรู้แล้ว <c oughs> เกิดเวทนา <c oughs> แล้วก็จะเกิดตัณหาตามกระบวนธรรมแบบก่อเกิดทุกแต่คราวนี้ตัดตอนซะก่อนโดยปิดกั้นไม่ให้ตัณหาเกิดขึ้นวงจรก็ขาด องค์ทำข้อต่อต่อไปเช่นอุปาทานเป็นต้นก็ไม่เกิดทุกก็ไม่เกิดทุกข์นิโรธก็สำเร็จ